วิธีขอศิกขาสมมุติและกรรมวาจาให้ศิกขาสมมุดหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบสิบสองปีนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์โฮมอุตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุณีทั้งหลายแล้วนั่งประยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าแม่เจ้าดิฉันชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบสิบสองปีของแม่เจ้าชื่อนี้ พอศิกาสมมติในธรรมหกข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงพึงขอแม้ครั้งที่สองพึงขอแม้ครั้งที่สมภิกษุณีผู้ฉลาดสามารถพึงประกาศให้สงทราบด้วยยติทุติยกรรมวาจาวา่า1น9 6แม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าหญิงเชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปี ของแม่เจ้าชื่อนี้ขอศิกขาสมุติในทรหกข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงฆ์ถ้าสงฆ์พร้อมกันแล้วเพิงให้ศิกขาสมุติในทรหกข้อเป็นเวลาสองปีแก่หญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีนี้เป็นยติแม่เจ้าขอสงจงฟังข้าพเจ้าหญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีของแม่เจ้าชื่อนี้ ขอศิกย์ขาสมมตใิในธรรมกข้อเป็นเวลาสองปีต่อสงให้ศิกย์ขาส ม, มุตใิในธรรมกข้อเป็นเวลาสองปีแก่หญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีแม่เจ้ารูปใดเห็นด้วยกับการให้สิกยขาสมมติในธรรมกข้อเป็นเวลาสองปีแก่หญิงชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบ12ปีแม่เจ้ารูปนั้นเพงนิ่งแม่เจ้ารูปใดไม่เห็นด้วย ศึกษาสมมติในทรหกข้อเป็นเวลาสองปีส่งให้แล้วเก่ญิงเชื่อนี้เป็นหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบบ12ปีส่งเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าข อ, อถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้พิกษณีผู้ฉลาดสามารถเพงบอกหญิงที่มีครอบครัวมีอายุครบบ12ปีนั้นว่าเธอจงกล่าวอย่างดีว่าหนึ่งดิฉันคอสมาทานมดเว้นจากการฆ่าสัตว์ โดยไม่ล่วงละเมิดตลอด2ปี 2> ข้อที่6ดิชันขอสมาทานงดเว้นจากการบริโภคอาหารในเวลาวิการโดยไม่ล่วงละเมิดตลอดสองปีพระผู้มีพระภาคครั้นทรง ต, รงตำหนิภิกษุณีเหล่านั้นโดยประการต่างๆแล้วตัดโทษแห่งความเป็นผู้เลี้ยงยากและจึงรับสั่งให้ภิกษุณีทังายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้